ประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตฉบับสมบูรณ์ภาคประวัติหลักตอนที่สองร่วมจัดทำโดยครอบครัวนิติสรวุฒิครอบครัววิริยะปัญญาครอบครัวนุษยประยุนครอบครัวไตรทิระประภาพพุทธศักราช 2.455 หหทุดงผจนภัยองค์เดียวถึงถ้ำภัยขวาง ท่านได้พิจารณาในตัวของท่านเองว่าที่เราบาเพ็ญนี้ถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็พอจะรู้ทางถูกทางผิดบ้างแล้วถ้าเราจะอยู่ที่วัดเลียบต่อไปการทำความเพียรของเราก็จะไม่สามารถทำถึงขั้นอุกฤษได้เพราะอย่างเกี่ยวข้องกังวลบางสิ่งบางประการจึงตัดสินใจออกป่าแต่ผู้เดียวโดยท่านเอาร่มจีนมาแทนกรดเพราะถ้าเอากลดไปด้วยแล้ว ก็จะทำให้คนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นพระธุดงก็จะมารบกวนหาของขลังอย่างโน้อนอย่างนี้เป็นที่กังวลเป็นอุปสรรคต่อการประกอบความเพียรท่านเห็นพระธุดงไปที่พระพุทธบาทถึงกับเขียนไว้ข้างมุ้งกรดเลยว่ามีพระให้เช่าท่านบอกว่าผู้ที่ธุดงโดยมุ่งหวังชื่อเสียงและลาบส ก, การะนั้นอย่าทุดงดีกว่าเราเข้าป่าเพื่อสแสวงหาธรรมะปฏิบัต ก็ควรจะยกความกังวลทั้งหลายออกไปเสียท่านเดินธุดงออกจากจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนั้นด้วยการเดินเท้าเปล่ารอนแรมผ่านดงพญาเย็นเรื่อยมาแทบจะกล่าวได้ว่าท่านได้ผ่านภูเขาแทบทุกลูกในประเทศไทยแต่แล้วก็ยังไม่เหมาะในการทำความเพียรในที่สุดการธุดงของท่านในครั้งนั้นก็ลุมาถึงถ้าไผ่ขวาง ทางน้ำตกสาวริกาเขตจังหวัดนคร น, นายกซึ่งในสมัยนั้นยังคงเป็นป่าทึบและดงดิบอยู่กลางป่าจึงดาเ ด, ดินไปด้วยสิงสาราสัตว์เช่นเสือช้างที่ดุร้ายพร้อมทั้งงูเห่าและงูจงอางท่านเล่าว่าเดินเข้าไปเย็นยะเยียบเงียบจากเสียงภายนอกมีแต่เสียงของพวกสัตว์นานาชนิดมันเป็นสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการอยู่แล้ว เราจะพยายามทรมานตัวเองเมื่อท่านได้มุ่งหน้าเข้าไปอย่างร้ำน้ำตกสาริกาบนภูเขาในระหว่างทางได้พบหมู่บ้านไม่กี่หลังคาเรือนซึ่งเป็นชาวไร่พวกเขาจึงถามท่านว่าท่านหลวงพ่อครับจะไปไหนท่านตอบว่าจะไปบําเพ็ญสมณธรรมในเขาลูกนี้บรรดาชาวไร่เหล่านั้นก็พากันตกตะลึง พยายามทัดทานท่านว่าอย่าเข้าไปเลยหลวงพ่อเพราะพระที่เข้าไปในถ้าเนี่ยมรณะภาพาไปแล้วถึงหกองค์ขอให้อยู่กับพวกผมที่บ้านนี้เถอะอย่าเข้าไปเลยท่านอาจารย์มั่นก็ตอบไปว่าเออโยมขอให้อัตมาเป็นองค์ที่เจ็ดก็เล่ากันท่านไม่ยอมฟังคำทัดทานของชาวบ้านได้เดินทุดงเข้ายัางถา้าภูเขาลูกนั้นต่อไป ถ้ำแห่งนั้นเป็นถ้ำที่ไม่ใหญ่โตเท่าใดนักมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่หนาแน่นจนมืดคลึมเป็นที่น่าสะพึงกลัวซึ่งเป็นที่ที่พระธุดงได้มรณภาพถึงหกองค์ชาวบ้านแถวนั้นเขาเข้ามานำเอาศพไปบาเพ็ญกุศลกันตามมีตามเกิดท่านอาจารย์มั่นเมื่อทอดอะไรในชีวิตแล้วก็วางบริการไว้แห่งหนึ่งตรงปากถ้ำจัดการสถานที่แล้วเดินดูรอบๆ บ, บริเวณ ได้ยินแต่เสียงจักกระจานไร่ไรร้องพวกนกส่งเสียงกระจิบกระจาบก็ยิ่งทำให้เกิดความวังเวงยิ่งขึ้นเมื่อเวลาตอนพลบข่ามสนธยารอบๆ บ, บริเวณนั้นเต็มไปด้วยความสงัดเงียบถ้าเป็นคนที่มีจิตใจไม่แข็งพอก็อาจจะเป็นบ้าไปเพราะความกลัวเสียก็ได้แต่ท่านอาจารย์มั่นท่านเคยชินในเรื่องนี้เสียแล้ว จึงไม่มีอะไรจะมาทำให้จิตใจของท่านเกิดวันไหวเมื่อค่ำลงสนิทแล้วท่านก็เริ่มบำเพ็ญความเพียรด้วยการนั่งสมาธิตลอดคืนปรากฏว่าสว่างสวัยไปทั่วหมดซึ่งนับว่าเป็นนิมิตอันดีเป็นอย่างมากในค่ำคืนวันนั้นรุง่งคืนท่านก็ออกบินทบาตรที่บ้านไร่นั้นนบอาหารกลับมาฉันที่ถ้ำ เมื่อฉันเสร็จแล้วท่านก็พักรางวันไปสักชั่วโมงเพราะเหน็ดเหนื่อยมาตลอดคืนที่แล้วแต่พอลุกขึ้นท่านก็รู้สึกหนักตัวไปหมดและหนักผิดปกติจนท่านแปลกใจเมื่อท่านไปถ่ายก็รู้สึกว่าเป็นท้องร่วงเมื่อสังเกตดูก็พบว่าทุกอย่างไม่ย่อยเลยข้าวสุกก็ยังเป็นเมล็ดแตงโมก็ยังเป็นชิ้นอยู่ถ่ายออกมาก็ยังมีสภาพเหมือนเดิมท่านเข้าใจว่า เหตนี้เองพระเหล่านั้นมรณภาพตัวเราเองก็เห็นจะตายแน่เหมือนพระเหล่านั้นท่านจึงเดินเที่ยวหาบริเวณที่อันจะทำให้เกิดความหวาดเสียวซึ่งต้องเป็นที่เหมาะเพราะจะต้องทำกันให้ถึงที่สุดแล้วท่านก็เหลือไปเห็นหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งตั้งอยู่บนปากเหวลึกแล้วท่านก็ทดลองโยนหินลงไปกว่าจะได้ยินเสียงก็กิกนเวลาอึดใจหนึ่งท่านก็กะว่าที่ตรงนี้เหมาะแล้ว ถ้าเราจะต้องตายก็ขอให้ตายตรงนี้ให้ท่านหล่นลงไปในเหวนี้เสเลยจะได้ไม่เป็นที่วุ่นวายแก่ใครๆซึ่งจะต้องกังวลทำศพให้เราในค่าวันนั้นท่านตั้งปณิธานว่าเอาละ่ะถ้าเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดและในค่มคืนวันนั้นเองเมื่อท่านกาหนดจิตตามที่ท่านฝึกฝนไว้ตอนหลังสุด ตามอุบายนั้นก็เกิดความสว่างสวัยดุจกลางวันซึ่งปรากฏเห็นแม้กระทั่งมเมล็ดทายโดยปรากฏเห็นเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนความผ่องใสของใจนี้ทำให้พิจารณาเห็นอะไรได้ทุกอย่างที่ผ่านมาแจ้งประจักษ์ขึ้นมาในปัจจุบันทั้งหมดการนั่งสมาธิคราวนี้ท่านใช้เวลาสมวันสามคืนโดยไม่แตะต้องอาหารเลย การพิจารณาถึงกายคตาตลอดถึงธรรมะต่างๆท่านได้ตัดความสงสัยทุกอย่างโดยสิ้นเชิงในการปฏิบัติจิตในขณะที่การพิจารณาธรรมทั้งหลายยังได้ผลนั่นเองนิมิตยอย่างหนึ่งได้ปรากฏขึ้นแก่ท่านคือเห็นเป็นลูกสุนักกินนมแม่อยู่ท่านได้ใกล้ครวญดูว่านิมิตที่เกิดขึ้นนี้จะต้องมีเหตุเพราะขณะจิตขั้นนี้ จะไม่มีนิมิตเข้ามาเจอปนได้คือเลยชั้นที่จะมีนิมิตท่านกำหนดพิจารณาโดยกาลังของกระแสจิตก็เกิดญาณคือความรู้ขึ้นว่าลูกสุนัขนั้นอาใช่อื่นไกลไม่คือตัวเราเองเรานี้ได้เคยเกิดเป็นสุนัขอยู่ตรงนี้มานับครั้งไม่ถ้วนคงหมุนเวียนเกิดตายอยู่ในชาติของสุนัขท่านใคร้ครวญต่อไปว่า ก็ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคือเหตุใดจึงต้องเป็นสุนัขอยู่อย่างนั้นได้ความว่าภพคือความยินดีในอัตภาพของตนสุนัข ก, ก็ยินดีอยู่ในภพของมันจึงต้องอยู่ในภพของมันตลอดไปขณะท่านทราบว่าตนต้องเกิดเป็นสุนัขนั้นได้ถึงซึ่งความสลดจิตมากที่สุดแม้ความสว่างสวัยของจิต ก็ยังคงเจิดจ้าอยู่ตลอดระยะเวลานั้นท่านจึงพิจารณาค้นความจริงในจิตของท่านว่าเหตุอันใดที่ต้องทำให้เกิดความภวะพวองห่วงหน้าห่วงหลังอยู่ในขณะ น, นี้แม้จะได้รับความสลดอย่างยิ่งนี้แล้วก็ยังจะพิจารณาให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ก็เมื่อความละเอียดของจิตเกิดขึ้นพร้อมกับความสว่างสวัยแล้วนั้น ความจริงที่ยังไม่ทราบมาก่อนได้เกิดขึ้นกับท่านแล้วก็คือการปรารถนาพระสัมมาสัมโพธิญาณท่านจึงหวนริมลึกต่อไปว่าเราได้ปรารถนามานานสักเท่าใดก็เพียงสมัยพระพุทธกาลนี่เองไม่นานนักท่านจึงตัดสินใจที่จะไม่ต้องการพุทธภูมิอีกต่อไปเพราะเหตุที่มาสังเวทตนที่ตกเป็นาธาตุของกิเลส อันเป็นเหตุให้เกิดเป็นสุนัขเซนับพบนับชาติไม่ทวนด้วยเหตุนี้ท่านจึงนึกถึงธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ก็มาระลึกได้ว่าปฐมเทศนาที่เป็นบทบาทสาคัญซึ่งจะเป็นทางบรรลุธรรมเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนี้จากความเป็นจริงที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วนำออกมาแสดงเช่นที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงอริยสัจสี่ว่าทุก สมุทัยนิโรธมัคคือทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมัคควรเจริญให้มากท่านอาจารย์มั่นท่านได้มาคำนึงถึงธรรมะอันเป็นหัวใจของพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรเช่นนี้แล้วท่านก็มาพิจารณาต่อไปอีกว่าทุกข์คืออะไร ในปฐมมเทศนาแสดงว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์แล้วใครเล่าเกิดแก่เจ็บตายก็คืออัตภาพร่างกายของเรานี่เองฉะนั้นร่างกายนี้จึงถือได้ว่าเป็นอริยสัจธรรมการพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในกายนี้ก็เท่ากับรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจนั่นเอง ดูแต่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพระปัญจวัคคีทั้งห้าด้วยพระธรรมเทศนาการที่สองคืออนัตตลักษณสูตรพระพุทธองค์ทรงยกรูปขึ้นมาให้พระปัญจวัคคีพิจารณาคือทรงสแสดงว่ารูปปางพิขเวอนัตตารูปไม่ใช่ตนปริวัต ท, ที่สองว่าตังกิมัญญถะพิขเวรูปปางนิจจงวาติอนิจจงวาติ ภิกษุทั้งหลายสําคัญข้อนี้เป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไปยานในที่นี้คือละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับปริวัตรที่สมว่าตัดสมาติหาภิกเเวรูปปังอติตังวาอนาคตังวาปัจจุบันนังวาเพราะเหตุนั่นแลภิกษุทั้งหลายรูปในอดีตอนาคตหรือรูปปัจจุบันสับพังรูปปังรูปทั้งปวง เนตังมะมาเนโซหมามัสมินาเมโซอัตาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราเอวะเมตังยทาภูตังสัพมปัญญายทัตตัพังจงพิจารณาความข้อนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบท่านพระอาจารย์มันได้พิจารณาว่าการพิจารณาตัวทุกนี้ก็คือรูปกายนี้เอง พระปัญจวคีแม้จะได้บรรลุธรรมในเบื้องต้นแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอพระพุทธองค์จึงต้องทรงเน้นหนักลงไปที่กายนี่เองโดยทรงแสดงอนัตตลักษณสูตรเพื่อจะให้พระปัญจวคีได้บรรลุธรรมชั้นสูงสุดท่านพระอาจารย์มันได้คํานึงถึงปฏิปทาของพระพุทธองค์ตอนที่จะตรัสรู้ที่ทรงนั่งสมาธิในวันวิสาขาเพ็ญเดือนหกนั้น ตอนปฐมมยามทรงบรรลุ ป, ปุเพนิวาสานุสติญาณคือพระญาณอันเป็นเหตุให้ระลึกชาติในหนหลังได้นี่คือการพิจารณากายจุดสำคัญจุดแรกเนื่องจากอัตภาพแต่ละอัตภาพที่พระพุทธองค์ทรงระลึกนั้นมีทั้งสุขทุกข์มีทั้งเกิดแก่เจ็บตายนับพบนับชาติไม่ทวนเป็นการยืนยันว่าพระพุทธองค์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ ทรงพิจารณากายเพราะญาณเป็นที่ระลึกชาติอดหลังได้นั้นต้องรู้ถึงการเกิดแก่เจ็บตายนี่คืออัตภาพแต่ละอัตภาพซึ่งต้องมีทุกครบท้วนทุกประการในการที่พระพุทธองค์ทรงระลึกนั้นท่านอาจารย์มั่นท่านได้คํานึงว่าการพิจารณาทุกขพระพุทธองค์ทรงดําเนินมาแล้วแต่ปฐมยามนั่นเองท่านจึงได้ความชัดในใจของท่าน แล้วก็ได้นําเอาการระลึกชาติในการที่ท่านได้เกิดเป็นสุนัขอันแสนานานนั้นมาเป็นเหตุพิจารณาให้เกิดความแจ่มแจ้งขึ้นในจิตนั้นเพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการแห่งสัจธรรมการดําเนินให้เป็นไปตามความเป็นจริงนี้เรียกว่ายานคือการอย่างรู้ท่านได้ความรู้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความเพียงพอคืออิ่มตัวของยานแต่ละครั้ง ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะนึกคิดดาวเอาหรือน้อมเอาเพื่อให้เป็นไปแต่ต้องเกิดจากความจริงที่ว่าต้องพอเพียงแห่งความต้องการหรืออิ่มตัวการเป็นขึ้นจากการพิจารณาโดยความเป็นจริงแห่งกำลังของจิตที่ได้รับการอบรมมาพอแล้วเช่นผลไม้มันต้องพอควรแก่ความต้องการของมันจึงจะสุกหรือข้าวที่ถูกไฟหุงด้วยไฟ ต้องการไฟเพียงพอกับความต้องการของมันจึงจะสุขแม้การพิจารณากายที่เรียกว่าตัวทุกนี้ก็เช่นเดียวกันกว่าจะกลับกลายเป็นยานขึ้นมาได้ต้องอาศัยการพิจารณาจนเพียงพอแก่ความต้องการแต่ละครั้งหรือจุดอิ่มตัวแต่ละครั้งเช่นกำลังของการพิจารณานี้มันอาจจะอยู่ได้ชั่วขณะหรือเวลาสุดแล้วแต่กำลังของยานเช่นนิพพิทายาน ความเบื่อหน่ายจะตั้งอยู่ในใจนานเท่าไรนั้นสุดแล้วแต่การพิจารณากายเห็นชัดด้วยสามารถแห่งพลังจิตการพิจารณาทุกข์เป็นเหตุให้เกิดยา น, นี้ถ้าเกิดความเพียงพอกําลังเข้าเมื่อใดยา น, นั้นจึงจะเป็นกําลังตัดกิเลสได้เมื่อนั้น การผจญอันตรายภายในท่านอาจารย์มั่นเล่าต่อไปว่าณค่ำคืนระหว่างเหตงการด์ดำเนินจิตก็กำลังสว่างสวัยและได้ผลนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาในเวลาห้าทุ่มครึ่งก็ได้เกิดขึ้นแล้วคือมีอาการสันสะท้านขึ้นทั้งภูเขาดูรู้สึกเหมือนกับว่าภูเขาโลกที่ท่านนั่งอยู่นั้นจะพลิกคว่ำ ซึ่งขณะนั้นท่านกำลังนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่อย่างได้ผลบางครั้งจะได้ยินเหมือนเสียงต้นไม้หักเป็นระนาวทีเดียวอากาศเป็นเหมือนกับมืดลมมืดฝนเป็นลักษณะที่น่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งเกือบจะทำให้ท่านต้องลืมตาออกมาทีเดียวแต่ท่านก็หาได้ลืมตาดูตามลักษณะาอาการที่เกิดขึ้นนั้นไม่ท่านได้พิจารณาเป็นอนุโลมิกยานในอริยสัจธรรม พร้อมกับเหตุอันน่าสะพึงกลัวนั้นก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับขณะที่เป็นอยู่อย่างนั้นนานเท่าใดไม่อาจทราบได้ท่านได้กำหนดสติอย่างมั่นคงและได้คำนึงถึงสตินี้เป็นอย่างดีและชัดเจนขึ้นอย่างยิ่งว่าสติอันที่จะเรียกได้ว่ามีกำลังนั้นต้องมาต่อสู้และผจนภัยเพื่อเป็นการทดสอบว่าจะเกิดความวันไหวต่อเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอก จะยังคงพิจารณาอยู่กับร่องรอยได้หรือไม่ท่านได้พิสูจน์แล้วว่าความวันไหวแห่งสติในขณะนั้นไม่มีเลยยังคงรักษาระดับการพิจารณาอันเป็นอนุโลมิกญาณได้อย่างปกติเหตุการณ์หาได้หยุดยั้งลงแต่เพียงแค่นั้นไม่ยังคงดำเนินอย่างรุนแรงขึ้นทุกขณะมันประดุดว่าร่างกายของท่าน แทบจะถูกบทไปเป็นผุยผงเป็นจุนละวิจุนไปทีเดียวเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดเป็นเวลานานพลันอาการประหลาดก็เกิดขึ้นมาอีกคือมีอาการร่างกายใหญ่โตขึ้นสูงเท่ากับต้นไม้ใหญ่ถือตะบองเหล็กซึ่งมีรัศมีดังเปลวไฟรบรั บ, รบเดินย่างสามขุมตรงรี่เข้ามาหาท่านอย่างผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจพร้อมกับตาวาดว่าจงลุกจากที่นี่เดี๋ยวนี้ มิฉนั้นจะต้องตายว่าแล้วก็เนื้อตะบองขึ้นสุดแขนขณะท่านอาจารย์มั่นกำลังพิจารณาอนุโลมิกายานอย่างได้ผลก็มาผจญกับสิ่งลึกลับอันไม่เคยปรากฏมาแต่การก่อนซึ่งมันทำให้ท่านแทบจะเผลอลืมตาขึ้นมาดูแต่ท่านก็ระงับสภาพอันน่าสะพึงกลัวนั้นเสียได้ไม่สะทกสถานต่อเหตุการเหล่านั้นกาหนดสติอันทรงพลังของท่าน และท่านก็มั่นใจในสติอันที่ได้อบรมจนเป็นมหาสตินั้นณที่นั้นการที่เกิดความมหาศจั์เช่นนี้ต้องถือว่าเป็นอันตรายต่อการบำเพ็ญจิตขั้นละเอียดเป็นที่สุดเพราะถ้าเสียทีตกใจลืมตาหรือสติอ่อนจะผ่านขั้นนี้ไม่ได้เลยหลังจากท่านอาจารย์มั่นถูกยักตนนั้นมันตะคอกเอาแล้วท่านก็กาหนดในใจ พูดตอบยักษ์ไปว่าเราไม่ลุกท่านใดนั้นเองปรากฏว่ายักษ์ได้หัวตะบองอันใหญ่นั้นลงยังร่างของท่านอย่างน่าใจหายใจคว่ำท่านรู้สึกประดุดว่าตัวของท่านจมดินลงไปลึกประมาณสิบวาแต่ท่านใดนั้นก็ปรากฏว่าตัวของท่านลอยขึ้นเหนือแผ่นดินอีกขณะที่มีอาการเช่นนั้นท่านหาได้ลืมสติไห กำหนดเป็นอนุโลมิกยายนอยู่ตลอดไปจิตอย่างแน่วแน่จดจ่ออยู่ณที่เดียวซึ่งขณะนั้นเป็นการพิจารณาจุดสุดยอดของยานท่านว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างยิ่งคำว่าชีวิตความตายมิได้มีความหมายเลยในขณะนั้นชีวิตมิได้เป็นสิ่งมีค่าเท่ากับการพิจารณาจุดสุดยอดแห่งอนุโลมิกยายนในขณะนั้นเลยจึงหาได้เกิดความหวาดกลัว หรือสะดุ้งแต่ประการใดไม่เหตุการณ์ก็หาได้หยุดลงแต่เพียงนั้นก็หาไม่ท่านใดนั้นเจ้ายักษ์ตนนั้นมันก็ถอนไม้ต้นใหญ่ซึ่งเป็นต้นตะเคียนอยู่ข้างหลังของท่านซึ่งต้นตะเคียนนั้นใหญ่ขนาดสิบอุ้มใหญ่มากทีเดียวมันเอามือทั้งสองข้างจุดต้นตะเคียนเหมือนกับยกหม้อน้าปรากฏว่าราตะเคียนได้หลุดขึ้นจากดิน พร้อมกับดินแถาๆนั้นกระจายไปหมดปรากฏว่าก้อนดินหล่นกระจายถูกต้องร่างกายทั่วไปและพร้อมกันนั้นมันก็ยกต้นตะเคียนขึ้นพร้อมด้วยความโกรธตาแดงยังกับลูกไฟยกขึ้นสูงเหนือภูเขาลูกนั้นฟาดลงมาอย่างร่างของท่านดังสะท้านหวั่นไหวปรากฏว่าร่างกายของท่านสุดแบน ล, ละเอียดติดอยู่กับก้อนหินนั้นและพร้อมกันนั้นก็ปรากฏว่าหินก้อนที่ท่านนั่งอยู่นั้น ก็แตกละเอียดเป็นจุนไปในชั่วปริบตานั่นเองขนาดนั้นเกือบจะทำให้ท่านต้องเผลอลืมตาขึ้นมาดูความเป็นไปต่างๆแต่ว่าท่านได้คำนึงถึงมหาสติอันเป็นเครื่องบังคับกำกับการพิจารณาในจุดสุดยอดแห่งธรรมะละเอียดอ่อนทำให้ท่านได้พิจารณาอย่างเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้เหตุการณ์อันเป็นเครื่องทาให้เกิดอาการวันไหวท่านก็ไม่ได้มีความวันไหวเลย ในที่นี้ท่านได้คํานึงต่อไปว่ามีสิ่งหนึง่งอันเป็นประการสําคัญซึ่งเป็นมนทินของใจนั้นคือการภาวะผวังของการปรารถนาพระโพธิญาณและก็กลับไม่ปรารถนาเช่นนั้นหันมาเพื่อความพ้นทุกข์อันจะพึงได้บรรลุธรรมอันยิ่งใหญ่ในขณะนั้นนี่เองที่ทําให้มีมนทินเป็นเครื่องสะกิดใจไว้แต่เมื่อได้สละแล้วท่านจึงมิได้คํานึงถึงสิ่งอื่น อันเป็นเหตุให้ต้องประสบสิ่งอันเป็นที่หวาดกลัวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นแล้วปรากฏว่าทุกอย่างในโลกนี้มีสภาพเป็นอันเดียวดุดหน้ากลองชัยโลกนี้ราบลงหมดคือสว่างราบเตียนร่างกายของท่านก็ปรากฏว่าประมวลกันเข้าดังเดิมและปรากฏว่ายักษ์ตนนั้นจำแรงตัวเป็นมนุษย์ลงมากราบไหว้ขอขมาลาโทษท่านแล้วมันก็หายไป ขนาดนั้นไก่ขันกระชั้นแล้วแสดงว่าใกล้แจ้งซึ่งประมาณเวลาเราราวตีสามหรือตีสี่เห็นจะได้ท่านได้คำนึงถึงยานสามในอริยมรรคคือสัจญานกิจยานและกัตายานจิตที่บำเพ็ญ ถ, ถึงจุดอิ่มตัวเป็นยานซึ่งมิใช่ว่าจะถือเป็นชั้นนั้นชั้นนี้เพราะถือว่าได้สําเร็จการเข้าใจว่าได้ชั้นนั้นชั้นนี้ คือการไม่เป็นผลสำเร็จซึ่งเป็นการหลงสมุทไทยไปทีเดียวเลยท่านคํานึงถึงญาณว่าเป็นจุดอิ่มตัวเหมือนกับการรับประทานอาหารมันมีจุดอิ่มตัวพอมันพอเพียงแก่ความต้องการแล้วก็อิ่มไม่ต้องพูดอะไรให้มากมีอาหารรับประทานเข้าไปก็เล่ากันญาณก็เช่นเดียวกันบาเพ็ญให้ถูกต้องโดยการพิจารณาทุก เมื่อถึงจุดอิ่มตัวเมื่อไรก็รู้เองเหมือนคนรับประทานอาหารอิ่มเมื่อไรเขารู้ตัวของเขาเองเช่นเมื่อพิจารณากายคือตัวทุกนั้นแล้วพอเมื่อเห็นกายเข้าก็เกิดความสังเวชสลดจิตแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเป็นยานเพราะมันจะเกิดขึ้นเองจะมาสมมุติให้เกิดขึ้นไม่ได้ คำว่าสัจจะคือความจริงเช่นกับการพิจารณาเห็นตัวทุกข์ชื่อว่าเห็นจริงมิได้เดาเอาเช่นเห็นว่าผมเป็นธาตุดินอย่างนี้เป็นสัจญานการดำเนินญาณคือความจริงนั้นให้ปรากฏอยู่เสมอชื่อว่ากิจญานการถึงจุดละวาง เหมือนกับคนอิ่มอาหารละไปแล้วซึ่งความหิวโดยอัตโนมัติเป็นกัตยานท่านได้คำนึงถึงสมุทยัยว่าอันกามตันหาความใคร่ในกามภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภวะตันหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นที่จริงแล้วคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิต ในขณะที่กําลังบําเพ็ญญาณนั่นเองเพราะกิเลสเกิดขึ้นตอนเจริญปัญญาญาณ น, นี้สําคัญนักจะเกิดการถือตัวยังก้าวไปไกลแก้ไม่หลุดคือไม่เห็นญาณความอย่างรู้เกิดขึ้นซึ่งละเอียดและอัศจรรย์เลยยึดเอาว่าเป็นพระนิพพานเสียเลยนี่แหละกิเลสปัญญาเพราะตอนที่ผู้บําเพ็ญจะสําคัญตนว่าบรรลุแล้ว มินำซ้ำยังตั้งตนเป็นนักพยากรณ์เสียอีกว่าคนนั้นได้ชั้นนั้นคนนี้ได้ชั้นนี้บางครั้งเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาในจิตว่าละกิเลสได้หมดแล้วมีธรรมะมาบอกเกิดขึ้นเมื่อวันนั้นเดือนนั้นเราได้บรรลุชั้นนั้นชั้นนี้แล้วถ้าหากว่ามีผู้รู้เท่าไม่ถึงการบัญญัติเราเข้าให้อีกว่าแน่แล้วสําเร็จแล้ว ทีนี้ก็จะทำให้จิตต้องนึกว่าสำเร็จบรรลุและถือตนหนักขึ้นดังนั้นในสมุดไทยยศรพระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่าปหาตับพันติเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุทัยควรละกนละตรงที่เรียกง่ายๆว่าวิปัสสนูปกิเลสดังกล่าวนั้นแล้ว ท่านอาจารย์มั่นท่านได้คำนึงถึงเรื่องนี้เพื่อความรอบครอบของจิตที่กำลังดำเนินไปอย่างได้ผลว่าเมื่อไม่คล้องอยู่ในอุปาทานและห่วงอยู่ในความที่จะเข้าใจตัวเองว่าบรรลุชั้นนั้นชั้นนี้ได้แล้วเพราะว่าท่านขณะที่กำลังบำเพ็ญวิปัสสนาญาณ น, นั้นได้ทราบชัดว่าวิปัสสนานั้นคือความเห็นแจ้งแต่ธรรมดาแล้วก็คงเห็นแจ้งเฉย เช่นเห็นว่าเป็นธาตุเป็นขันเกิดขึ้นจากตาในด้านการพิจารณาแต่ยังไม่ใช่ญาณการที่จะเป็นญาณขึ้นมาได้นั้นต้องถึงจุดอิ่มตัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเช่นพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงในขันทั้งหลายแล้วพิจารณาไม่หยุดยัง้งจนถึงจุดอิ่มตัวญาณคือความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนี่ละ จึงจะชื่อว่าเป็นวิปาาัสนาญาณความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นเองเนื่องจากการบําเพ็ญวิปัสนาให้เพียงพอเช่นเดียวกับความอิ่มเกิดขึ้นจากความเพียงพอของการรับประทานอาหารนั่นเองเพราะความเกิดเองในที่นี้เรียกว่าสันทิฏฐิโกความเห็นเองนิโรธควรทําให้แจ้ง การทำให้ไม่ให้คนหลงในมรรคผลนิพพานนั่นเองเพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายงมงายในความเป็นเช่นนี้มากในเมื่อไม่ใช้ปัญญายานเพราะไปใช้แต่สิ่งสำคัญตนจึงต้องใช้การทำให้แจ้งมันจะเป็นอย่างไรขึ้นก็ช่างเราทำไปแล้วธรรมะที่ดำเนินไปก็บรรลุเป้าหมายเอง ในวาระสุดท้ายท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเราได้กำหนดทวนกระแสจิตคือเมื่อพิจารณาไปแล้วทุกอย่างนับมาแต่การพิจารณาดูตัวทุกขคือขันธ์ทั้งห้านั้นแล้วการพิจารณาให้เป็นวิปัสนาคือให้เห็นว่าขันธ์ทั้งห้าเหล่านั้นคือรูปเบชนาสัญญาสังขารวิญญาเหล่านั้นเป็นธาตุเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา และพิจารณาที่ธรรมทั้งหลายอันละเอียดวิเศษที่สุดจนเข้าใจว่าเป็นผู้บรรลุขจัดออกไปทั้งหมดโดยอนุโลมิกญาณแล้วท่านก็ทวนกระแสจิตกลับมาหาทิตติภูตังคือที่ตั้งของจิตที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นต้นเหตุการทวนกระแสจิตที่เป็นอนุโลมิกญาณให้เห็นว่าใครผู้รู้ใครผู้เห็น คือให้รู้ว่าเป็นผู้ไม่ตายให้เห็นว่าเป็นธาตุเพราะได้พิจารณาโดยเห็นยานนั้นเป็นความจริงอันตัวผู้รู้ผู้เห็นอยู่ที่ไหนอาศัยยานที่บำเพ็ญขึ้นจนพอแก่ความต้องการอันที่เรียกว่าอนุโลมิกญยานนั้นแล้ ว, ลวก็จะปรากฏว่าได้เห็นตัวผู้รู้ผู้เห็นผู้ไม่ตายคราวนี้ก็จะถือได้ว่าเป็นองค์มรรค ภาเวทัพันติเมพิกเวมักควรเจริญให้มากผู้ที่มาเห็นตัวผู้เห็นกล่าวว่าเป็นผู้หายความสงสัยแล้วโดยสิ้นเชิงไม่ต้องห่วงว่าอาจารย์โน้นถูกอาจารย์นี้ผิดเรากำลังทำนี้จะถูกหรือจะผิดไม่มีในใจของผู้เป็นเช่นนี้ถ้ายัางไม่ถึงเช่นนี้ก็จะยังสงสัยอยู่ร่ำไป แม้ใครจะมาเทศให้ฟังเท่าไรก็แก้สงสัยไม่ได้ทลอยข้าพเจ้าฟังว่าขณะนั้นปรากฏว่าโลกนี้เตียนราประดุดหน้ากลองชัยเรียบเอาจริงๆท่านได้ย้ำให้ข้าพเจ้าฟังแต่การอรารเรียบเหมือนหน้ากลองชัยคือการอยู่ในสภาพอันเดียวกันได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตาย และความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแต่การปรากฏขึ้นในจิตนั้นเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่มีอะไรมาคล้องอยู่กับใจในจิตนั้นเป็นเช่นนั้นท่านพูดกับข้าพเจ้าต่อไปว่านี้เป็นการที่ได้หนทางเป็นครั้งแรกในใจของเราให้หายสงสัยว่าจะเป็นอะไรต่อไปแน่ชัดในใจโดยปราศจากการกังขา ในที่นี้จึงรวมไว้ซึ่งอินรีห้าพละห้าโพชฌงเจเป็นที่รวมกำลังทั้งหมดเท่ากับเป็นการรวมกองทัพรำใหญ่พร้อมที่จะขยี้ค่าศึกคือกิเลสให้ย่อยยับลงไปในเมื่อการรวมกำลังนี้สมบูรณ์เต็มที่แต่ละครั้งเพราะความที่ได้ขยี้ค่าศึกคือกิเลสนี่เองจึงเกิดเป็นวิสุธทธิเจประการ ครั้นเมื่อเป็นดังนี้บริบูรณ์แล้วคำว่าชั้นนั้นชั้นนี้ก็ไม่ต้องกล่าวถึงเพราะเหตุได้ตัดเสียแล้วซึ่งอุปาทานท่านได้เล่าเป็นเชิงแนะนำผู้เขียนเป็นลำดับตามวาระแห่งจิตของการดำเนินของท่านจนผู้เขียนไม่อาจนำมาเขียนให้หมดไปทุกคำได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำพูดที่ท่านได้แสดงให้ผู้เขียนฟังเท่านั้น เป็นนั้น่าสามวันสามคืนของการพิจารณานั้นท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้และควรเห็นได้รับผลคือความจริงในพระพุทธศาสนาในครั้งนั้นท่านเล่าต่อไปว่าในวันนั้นท่านได้พิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ลุกขึ้นเดินจงกรมในเวลาก่อนแจ้งรู้สึกเบาตัวไปหมด ได้เวลาไปบินทบาตตอนเช้าท่านเดนุงสบงหมจีวอนซ้อนสังคติเป็นปริมณฑลกับบาสพายไว้ข้างประดุดอุ้มแล้วก็เข้าไปสู่หมู่บ้านที่ท่านเคยไปตระการก่อนนั้นอันชาวบ้านต่างก็พากันเชื่อว่าท่านอาจารย์มั่นได้ตายไปซสแล้วเพราะไม่ได้มาบินทบาทตั้งสามวันเนื่องจากพระทุดงมาตายที่นี่หลายองค์ ท่านอาจารย์มั่นองค์นี้จะต้องเหมือนกับองค์อื่นๆซึ่งชาวบ้านต่างก็พากันสงสัยตั้งแต่เริ่มแรกแล้วซึ่งพอท่านอาจารย์มั่นมาอยู่วันเดียวบินทบาทวันเดียวก็หายไปเฉยๆแต่ก่อนๆพระธุดงค์ที่มาอยู่ที่นั้นบางองค์ก็สามเดือนหกเดือนจึงตายแต่ท่านอาจารย์มั่นองค์ใหม่นี้ทำไมจึงตายเร็วนักเพียงสองสาวันเท่านั้นชาวบ้านบางคนที่สนใจเป็นพิเศษ พอไม่เห็นท่านมาบินธบาตก็ได้ไปเยี่ยมท่านที่ถ้ำแต่ก็ไม่เห็นเพราะที่ท่านนั่งสมาธินั้นลี้ลับมากพรันจะค้นให้ทั่วก็กลัวจะเป็นการรบกวนสมาธิของท่านถ้าท่านกำลังนั่งสมาธิแต่ถ้าหากท่านตายจริงหลายวันแล้วเดี๋ยวจะเน่าเฟะก็จะลำบากชาวบ้านต่างก็โจรขานกันไปแล้วคิดที่จะหาหนทางเอาศพมาบำเพ็ญกุศลกัน แต่ที่ไหนได้รุ่งคืนเช้าวันที่สามนั้ น, น, นก็ปรากฏเห็นโฉมหน้าของท่านอาจารย์มั่นกำลังออกมาบินธบาตโดยปกติแล้วทุกคนก็บังเกิดความเลื่อมใสต่างก็ถามท่านว่าท่านอาจารย์ครับสามวันที่แล้วมาทำไมจึงไม่มาบินธบาต ท, ท่านอาจารย์ได้ตอบว่าก็เราได้ต่อสู้กับความโง่งของตัวเองนั่นล่ะโยมเห็นจิตสงบดีจึงไม่ได้มา แต่ชาวบ้านก็ยังไม่แน่ใจว่าท่านจะอยู่ไปได้ตลอดหรือไม่หลังจากท่านบินทบาตกลับไปที่ถ้มแล้วนั้นจากนั้นอาการต่างๆก็ปกติดีอาหารทุกอย่างย่อยเป็นปกติร่างกายของท่านสมบูรณ์ในตอนนี้ท่านได้พักผ่อนบำเพ็ญความเพียรตามปกติและท่านก็หวนพิจารณาถึงพระที่มรณภาพไปแล้วหกองว่าเป็นเพราะเหตุใด ก็ทราบว่าประพฤติเป็นศีลวิบัติโดยลักษณะต่างๆกันองค์ที่หนึ่งได้มาอยู่สองเดือน29วันก็มรณภาพองค์นี้ผิดวินัยข้อที่เก็บอาหารเป็นสันนิธิเป็นอาบัติปาจิตตีในโภชนาวากสิกขาบทที่7เวลาไปบินทบาทแล้วมีอาหารบางสิ่งที่ไม่บุดเสียแล้วเก็บไว้ฉันในวันต่อไป องที่สองอยู่ได้สามเดือนกับสิบวันก็มรณภาพส่วนองค์ที่สองนี้ได้ตัดต้นไม้ในป่าด้วยตนเองแล้วนำมาทำร้านเพื่อเป็นที่สำหรับนั่งและนอนนอกถ้าเพราะว่าจะนั่งนอนกับหินและดินก็ชุ่มชื้นนี่ก็เป็นอาบัตปาจิตตีในสิกขาบทที่หนึ่งแห่งภูตคามวัคองค์ที่สาม อยู่ได้สี่เดือนกับ22วันก็มรณภาพองค์ที่สามนี้ได้ขุดดินโดยที่แถวนั้นมีมันป่ามากก็ขุดเอามันมาไว้และต้มฉันเองซึ่งเป็นสิ่งที่สมณะไม่ควรทำและผิดวินัยตามพุทธบัญญัติทั้งหนึ่งของภูตคามวักและข้อที่สิบของมูสาวาดวักองค์ที่สี่ ได้มาพักอยู่ห้าเดือนกับ20สิบวันก็มรณภาพที่ถ้ำนี้ชาวบ้านได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีองค์นี้ได้ทำผิดวินัยที่เก็บอาหารบินทบาทมาได้แล้วเอามาไว้ชั้นต่อไปและได้ไปเก็บผลไม้ต่างๆในป่ามาเองซึ่งเป็นการผิดวินัยข้อที่8ของโพชนะวัคปาจิตตีและข้อที่หนึ่งของภูตคามวัคปาจิตตี องคที่หอยู่ได้หเดือนกับ18วันก็มรณภาพองค์นี้ได้ไปเก็บผลไม้จากต้นไม้เพราะในป่านั้นมีผลไม้ป่าต่างๆเป็นต้นว่าไม้เค้งไม้พองผลนมวัวเป็นต้นท่านได้ไปเก็บเองจากต้นมาฉันเองนี่เป็นอาบัตปาจจิตีข้อที่หนึ่งของภูตคาหักและข้อที่ส0ของโพชนาวักองค์ที่หก อยู่ได้เจเดือนกับ12วันแล้วก็ขอให้โยมพาไปส่งที่วัดเดิมของท่านที่ขอนแก่นเมื่อกลับไปอยู่วัดเดิมได้หนึ่งเดือนท่านก็มรณภาพองค์นี้ก็เก็บอาหารต่างๆที่เป็นสันนิธิเป็นอาบัตโดยที่ได้ทำอยู่เป็นอาจินแล้วตัวท่านเองก็ไม่ได้รู้ถึงสมุดฐานแห่งการเป็นอาบัตจึงต้องศีลวิบัตอันเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตและการจะเดินทุดงและอยู่ป่านั้น ข้อสำคัญต้องรักษาขนบธรรมเนียมร้อมด้วยพระธรรมวินัยของพุทธบัญญัติอย่างเคร่งครัดจึงจะเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายได้ในวันหนึ่งท่านได้นั่งสมาธิปลอดโปร่งมากแต่ว่าการที่ท่านได้มาอยู่ที่ถ้มนี้นับแต่ท่านพบแสงสว่างแห่งธรรมท่านก็ได้รับผลแห่งความสงบตลอดทั้งกลางวันกลางคืน ในคืนนั้นท่านพิจารณาถึงการแนะนำสั่งสอนธรรมะอันเป็นภายในนิว่าเราแนะนำพร่ำสอนชนไหนหนอจึงจะเป็นผลท่านก็กำหนดพิจารณาดูในขณะนั้นว่าการแนะนำในขั้นต้นนี้ควรจะต้องดำเนินไปเฉพาะพระภิกษุสัมมาเนนเป็นประการสาคัญเพราะพระภิกษุสัมาเนนแมองเดียวถ้าได้เห็นธรรมะเป็นที่แน่ชัดแล้ว จะไปสอนอุบาศกอุบาสิกาได้เป็นจำนวนมากและก่อนแต่ที่จะสอนใครก็ควรจะต้องพิจารณาจิตใจของผู้นั้นว่าควรจะได้รับธรรมะอย่างไรผู้นั้นควรจะนำไปปฏิบัติอย่างไรท่านอาจารย์มั่นท่านย้ำกับผู้เขียนว่าถ้าเราไม่พึงรู้ถึงความเป็นจริงคืออุปนิสัยวาสนาและปุเพนิวาแต่การก่อน ซึ่งจะเป็นเหตุให้เราได้ทราบชัดว่าผู้ใดควรได้รับธรรมะกรรมฐานอะไรและจะสามารถรู้ซึ้งในกา ร, รมรธฐานได้แล้วเราจะยังไม่สอนใครเลยทีเดียวฉะนั้นการสอนกรรมฐานของท่านจึงได้ผลเต็มร้อยเปอร์เซนต์ปรากฏ ต, ต่อมาว่าเมื่อท่านสอนใครแล้วต้องได้ผลเพราะเราจะเห็นผู้เป็นอาจารย์กรรมฐานองค์สาคัญสาคัญ ที่ได้ทำประโยชน์ใหญ่แก่พุทธศาสนาอยู่ในเวลานี้ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นเป็นส่วนมากเพราะได้รับการฝึกฝนมาอย่างถูกต้องจากท่านอาจารย์มั่นนั่นเองณที่นี่เองท่านก็ได้รู้จักภาษาสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่าเป็นต้นว่าลิงบ้างนกบ้างมันคุยกันม่ใช่ว่าท่านจะได้ยินเพียงแต่เสียงจิจจจดจดแต่ว่ามันก็ใช้ภาษาของมัน ซึ่งบางครั้งท่านอาจารย์เล่าว่าพวกนกจะไม่รู้ภาษากันก็หาไม่พวกมันก็ได้ตักเตือนกันอยู่แต่มีบางตัวบางพวกก็ไม่เชื่อฟังมันรู้เรื่องของมนุษย์ได้ดีว่ามนุษย์บางคนมีจิตใจโหดร้ายมาขโมยเอาลูกเขาไปทั้งทั้งที่เขาก็หวงแสนหวงแต่พวกนกหนูทั้งหลายบางครั้งไปหากินลักขโมยมนุษย์ตามไร่ตามสวนนั้น ่าใช่ว่าพวกนกจะไม่รู้ก็หาไม่พวกเขาก็ได้ตักเตือนกันอยู่แต่พวกมันก็ไม่ยอมเชื่อฟังแต่บางทีพวกนักล่าลิงได้ยิงลิงแล้วเอามาลอกหนังกินเส้นนั้นพวกลิงมันก็เห็นว่ามนุษย์นี้น่ากลัวยิ่งนักแต่พวกที่ไม่เคยเห็นว่ามนุษย์ฆ่าพวกมันพวกมันจะไม่กลัวแต่ว่าพวกมันเห็นว่าเป็นตัวอะไรแปลกน่ากลัวนี่เป็นภาษาสัตว์ ซึ่งผู้ใดได้รู้และเข้าใจภาษาของมันแล้วก็จะทำให้ได้รู้อะไรแปลกๆขึ้นมากและในบริเวณนั้นมีลิงอยู่ฝูงหนึ่งที่ไต่ย้วเยอะอยู่ตามข้างๆรรมบางครั้งพวกมันจะหายไปเพราะไปเที่ยวหากินตามที่ไกลครั้นพอเวลาเย็นมันก็จะกลับมาอยู่ข้างรรมต่างก็สนทนากันทุกวันบางก็ทะเลาะกันบางทีก็สับพยอกหยอกกันตามภาษาของมัน ท่านอาจารย์มั่นได้เล่าให้พวกเราฟังว่าหน้าขำบางตัวมันจะว่ามึงได้อะไรมาไม่แบ่งกูกูได้มาก็ยังแบ่งให้มึงบางทีไปเจอลูกผลไม้อะไรที่อร่อยในลูกเดียวกันมันก็ต้องยื้อแย่งกันจนต้องกัดกันหัวหน้าหรือจ่าฝูงต้องมาห้ามบางทีเขาชอบพอกันระหว่างตัวเมียกับตัวผู้มันก็ว่าฉันชอบเธออะไรทำนองนั้นแต่ที่ดีที่สุดนั้น คือเขาจะมีการยาแเกรงหัวหน้ากันมากเชื่อกันจริงๆพอหูหน้าให้สัญญาณมันจะต้องเงียบให้สัญญาณหากินกันได้ก็รีบไปหากินให้สัญญาณกลับก็จะกลับกันทันทีมีอยู่สี่ห้าตัวซึ่งเป็นลิงชั้นหูหน้าพากันมานั่งอยู่บนก้อนหินก้อนหนึ่งชำเรืองคอยดูท่านอาจารย์อยู่ตลอดเวลาแต่ท่านอาจารย์มั่นท่านก็ไม่ได้เอาใจใส่ แล้วมันก็สนทนากันว่าฤาษีเนี่ยดีมากไม่เหมือนฤาษีองค์ก่นกอนฤาษีองค์ก่นกอนนั้นบางทีก็คว้างป่าเราเหมือนกับจะกินเราและทาผิดรมเนียมของฤาษีไม่ทำความเพียรเหมือนฤาษีเราองค์นี้นั่นเองถึงได้ต้องตายกันไปจนหมดเราเข้าใจว่าฤาษีองค์เนี้ยคงไม่ตายแน่เพราะฤาษีองค์นี้ร่างกายท่านผ่องใสมาก ท่านอาจารย์ท่านได้ยินพวกมันพูดกันโดยตลอดโดยที่ท่านรู้และเข้าใจภาษาสัตว์ท่านก็นึกในใจว่าพวกสัตว์เดรัจฉานแท้ๆมันก็ยังรู้อะไรๆดีเหมือนกันไม่ใช่มันจะมาเพียงแต่ส่งเสียงร้องกันเจีก๊กๆจาก๊กๆักจแต่มันก็มีความหมายเป็นอย่างยิ่งดูแต่เราฟังภาษาแขกภาษาจีนภาษาฝรั่งเถอะถ้าเราไม่เข้าใจก็จะไม่รู้เรื่องอะไร คือไม่ผิดอะไรกับที่เราฟังอึ้งอ่างมันร้องพวกนกหนูปูปีกมันส่งเสียงร้องและเราก็จะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันแต่ถ้าใครได้เรียนตามภาษานั้นๆก็จะรู้ได้ทันทีว่าเขาพูดอะไรกันหมายเหตุผู้อ่าน ขอฝากแนวคิดให้ได้พิจารณาเหตุผลเพิ่มเติม เ, มเกี่ยวกับเรื่องยักษ์เรื่องภาษาสัตว์และเรื่องพระทุดงพิศีลและมรณะภาพเป็นหรูปซึ่งน่าจะมีคนสงสัยหรือยังอาดคิดค้านอยู่ในใจจึงขอให้ลองฟังและพิจารณาตามว่ามีเหตุผลเหมาะสมหรือไม่อย่างไรด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยจึงขอฝากทุกท่านไว้พิจารณาเพิ่มเติ ม, ตมด้วยนะครับสาหรับเรื่องภาษาสัตว์นี้ ในที่นี้จะเปรียบเทียบกับเมื่อคนเราตายไปในโลกหลังความตายนั้นตอนเป็นคนชาติอะไรก็ตามหรือเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเคยพูดภาษาอะไรมาก่อนแต่พอตายไปเจอกันต่างก็พูดแล้วเข้าใจกันได้นะครับด้วยจิตของแต่ละคนนั้นมีความวิเศษที่จะสื่อสารรู้เรื่องกันโดยความหมายที่แท้ที่ต้องการเช่นไม่ว่าจะพูดภาษาอะไรด้วยคําที่มีความหมายว่าขอโทษอีกฝ่ายก็จะรับรู้ว่าที่พูดมานั้น แปลว่าขอโทษซึ่งถ้าไม่มีกายหยาบก็จะใช้จิตสื่อสารกันโดยไม่จำเป็นต้องเปล่งเสียงก็เข้าใจกันได้ที่หลวงปู่มั่นท่านเข้าใจภาษาสัตว์และเล่าออกมาเป็นภาษามนุษย์นั้นก็เป็นการแปลความหมายมาแล้วชั้นหนึ่งแล้วมาเล่าเป็นภาษาไทยให้เราเข้าใจนะครับในทางวิทยาศาสตร์แล้วสัตว์หลายจาพวกต้องสื่อสารกันได้ไม่อย่างนั้นจะทากิจกรรมร่วมกันไม่ได้ แต่การสื่อสารข้ามเผ่าพันธุ์คงเป็นไปได้ยากไม่ต่างกับคนหลายชาติมารวมกันและไม่เคยเรียนหนังสือก็คงยากที่จะรู้ภาษาหรือวิธีการสื่อสารของแต่ละเผ่าพันธุ์และในเรื่องนี้ก็มีการทดลองอย่างจริงจังโดยต่างชาตินะครับก็พบว่าแม้ในพืชก็มีการสื่อสารถึงกันโดยการทดลองพบว่ามีการให้สัญญาณเตือนกันได้ด้วยยังไม่นับกับที่พืชมีปฏิกิริยากับการฟังเพลง การทดลองเปิดเพลงต่างๆและมีผลผลิตดีขึ้นนะครับสาหรับการร้องของสัตว์นั้นไม่ใช่เป็นการพูดกันเสมอไปมันก็คล้ายกับคนขี้บน่นพูดพล่ามไปเรื่อยด่าไปเรื่อยหรือร้องเพลงหรือเกิดความเครียดอึดอัดก็เห่าก็ร้องก็หอนไปตามประษามนุษย์ปกติก็ยังเป็นกันเยอะนะครับบางคนก็พูดกับตัวเองบางคนก็หาเรื่องบ่นทั้งวันบางคนอยู่ดีๆก็ตะเบงเสียงออกมาเวลาที่อึดอัดหาสาเหตุไม่ได้ สัตว์แต่ละประเภทก็แสดงสัญญาณเดิมตอนเคยเป็นมนุษย์มาก่อนนั่นแหละให้ดูนะครับว่าหมาบางตัวเนี่ยเรียบร้อยไม่เห่าพร่ำเพื่อแต่บางตัวเหา่าหาเรื่องไปเรื่อยและสัตว์ต่างเผ่าพันธุ์ที่คุยรู้เรื่องในระดับต่างๆนั้นก็แสดงถึงภูมิจิตความหยาบละเอียดของเขาเหล่านั้นจึงได้ไปเกิดต่างระดับกันนะครับหลายสิ่งที่เราไม่รู้หรือยังไม่ได้สัมผัสได้จริงก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อหรือรีบปฏิเสธ ควรพิจารณาไตรตรองให้ดีแล้วค้นคว้าศึกษาให้เข้าใจก่อนด้วยสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่สำหรับผู้ต้องการพ้นทุกบางอย่างไม่ได้เกี่ยวกับทางดับทุกก็ควรปล่อยวางละไว้บ้างข้ามไปบ้างนะครับอย่ามัวแต่ติดที่เปลือกเข้าหาแก่นทาคำสอนหลักเพื่อการพ้นทุกเลยก็จะดีกว่ามากนะครับสำหรับเรื่องยักมองเดีหลายอย่างนะครับ หคือเป็นการปรากฏในนิมิตให้เห็นรู้สึกไปต่างๆด้วยริสท่านึกภาพไม่ออกก็ลองนึกว่าแค่เราฝันเรายังเป็นไปต่างๆมีหิวร้อนเจ็บปวดรู้สึกได้สมจริงเหมือนเกิดขึ้นจริงได้ในความฝันนั้นสันดานเราก็ยังเป็นคนเดิมเคยไม่ชอบกินอะไรก็คงไม่ชอบกินเหมือนเดิมมันปฏิเสธเปลี่ยนตัวตนไม่ได้แล้วก็รู้สึกเหมือนความจริงจนกว่าจะตื่นถึงรู้ว่านี่แค่ฝันไป แต่เรื่องของการเจอสิ่งเหนือธรรมชาติที่เป็นของจริงนั้นต่างออกไปมากเพราะมันแนบแน่นสมจริงกว่าความฝันหลายเท่านะครับเรื่องทั้งหมดอาจเกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นแค่ฤทธิ์ของสิ่งต่าง ม, มิติที่สร้างขึ้นมาให้รู้สึกไปตามนั้นก็ได้การรู้เห็นลักษณะต่างๆที่อธิบายเกี่ยวกับยักษ์นั้นแม้ท่านจะเล่า ว, ว่าตอนนั้นไม่ได้ลืมตา แต่อย่าลืมนะครับว่าพลังสมาธิระดับสูงนั้นสามารถย้อนเห็นภาพในอดีตได้ทั้งนี้ควรจับสาระสาคัญแก่นของเรื่องให้เข้าใจมากกว่าจะมาสงสัยว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่เพราะแก่นของเรื่องคือเมื่อผู้จะบรรลุธรรมสร้างความดีอันยิ่งใหญ่นั้นย่อมมีมารผจญมีสิ่งที่มาขัดขวางให้ทำไม่สาเร็จได้ง่ายหรือเรียกว่ามาทดสอบบารมีนั่นเอง เพราะถ้าไม่มีอุปสรรคก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าเราสามารถข้ามผ่านหรือละสิ่งต่างๆได้จริงเช่นถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่เคยมีใครมายั่วให้โกรธเลยคงมั่นใจได้ยากนะครับว่าเราตัดความโกรธได้เด็ดขาดจริงกลับกันเราต้องโดนสิ่งมากระทบใจก่อนแล้ววางเฉยด้วยใจเป็นสุขได้ก่อนจึงจะมั่นใจได้ว่าไม่โกรธแล้วตัดได้แล้วจริงๆ ในกรณีเรื่องของหลวงปู่มั่นนั้นท่านพิจารณาธรรมระดับสูงต้องพิสูจน์กันด้วยว่าจะกลัวตายจะถวายชีวิตหรือไม่ยังห่วงชีวิตมากกว่าการบรรลุธรรมหรือไม่ซึ่งหากเป็นเหตุการณ์จริงที่จะทำให้ตายก่อนอายุไขหรือผิดธรรมชาติที่ควรเป็นด้วยบารมีบุญกุศลของท่านก็คงไม่มีทางเป็นไปได้นะครับต่อให้มีคนมาลอบข่าก็ต้องมีเหตุให้เทวดามาดนใจมาช่วย หรือมีเหตุบังเอิญให้คลาดเคล้าจากอันตรายถึงแก่ชีวิตก่อนอายุไขแน่นอนยังไม่นับกับท่านต้องรู้ด้วยตัวเองจากพลังจิตซึ่งเหล่าลูกศิษย์ต่างรู้กันดีนะครับเราที่คิดไม่ดีทำจิตไม่ถูกต้องท่านก็ยังรู้เองแล้วมาเตือนก็หลายครั้งสำหรับเรื่องพลังทางจิตนั้นผู้ปฏิบัติถ้าไม่กาหนดอยากจะรู้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องรู้ทุกเรื่องนะครับรามโมฆลลานะที่มีฤทธิ์มากที่สุด ตอนพระสาวรีบุตรไม่รับอาหารที่โยมฝากท่านมาถวายท่านไม่ได้กําหนดรู้เจาะจงท่านก็ไม่รู้ว่าอาหารนี้ไม่บริสุทธิ์จนพระสาวรีบุตรพูดขึ้นท่านพิจารณาจึงเห็นตามจริงที่หลังยกตัวอย่างเรานั่งริมถนนมองรถวิ่งผ่านไปนะครับจะตอบได้ว่ารถที่เพิ่งผ่านไปทะเบียนอะไรเราต้องตั้งใจมองตั้งใจอ่านด้วยหรือต้องไปเอากล้องมาดูย้อนหลังแล้วตั้งใจดูก่อน จึงจะบอกทะเบียนรถได้ตรงถ้าไม่อย่างนั้นก็แค่ได้รู้ว่ามีรถผ่านไปเท่านั้นหลายครั้งนะครับแม้แต่พระพุทธเจ้าเองหลายเรื่องท่านทรงรู้อยู่แล้วแต่เป็นธรรมดาถ้าไม่จำเป็นจริงท่านต้องถามนำก่อนเป็นธรรมเนียมหรือให้คนอื่นพูดถึงก่อนถามก่อนจึงจะพูดเรื่องนั้นขึ้นมาผู้อ่านเองมั่นใจว่าพลังจิตด้านนี้มีจริงนะครับ เพราะว่าเคยเจอมาหลายครั้งทั้งที่คุยโทรศัพท์หรือแม้แต่เขียนสนทนาในเว็บบอร์ดก็ปรากฏว่าอีกฝ่ายอ่านใจเราออกหมดเลยว่ากําลังคิดอะไรขณะพิมพ์ใจคิดอะไรอยู่นี่ขนาดคารวาดยังไม่ได้บวชยังทำได้ขนาดนี้นะครับแล้วนับประษาอะไรกับพระผู้แตกฉานปฏิบัติจริงจังมายาวนานสาหรับเรื่องยักษที่มาก่อกวนนี้ อาจมองได้ว่าเป็นบุญบา ร, รมีของท่านเองที่อาจสร้างรูปนิมิตขึ้นมาเพื่อทดสอบจิตใจของท่านเองก็ได้หรือเป็นเทพเทวาที่หวังดีมาทดสอบมาสร้างเหตุการณ์เพื่อให้ท่านสำเร็จได้จริงก็ได้เคยสงสัยไหมครับว่าทำบุญจนได้เป็นเทวดาวระดับสูงมีฤทธิ์ยิ่งใหญ่เราจะมาแกล้งคนทำบุญใหญ่คนจะบรรลุธรรมทาไม พระพุทธเจ้าท่านบรรลุก็เพราะพยามารซึ่งที่จริงก็คือเทวดาระดับสูงที่มีฤทธิ์มากได้มาลองใจมาขวางท่านมาทำเรื่องให้ต่อสู้จนพิสูจน์ว่าชนะจริงตัดได้จริงลองคิดดูนะครับว่าหากเทวดานั้นมาทดสอบด้วยความหวังดีเพราะจำเป็นและสำคัญต่อการบรรลุธรรมเพราะว่าถ้าไม่มาทำแบบนั้นก็จะบรรลุธรรมไม่ได้สิ่งที่ทำด้วยเจตนานั้น ก็น่าจะได้บุญใหญ่มากเหมือนกันเพราะว่าถ้าเจตนาไม่ดีจริงด้วยบารมีของผู้ที่จะบรรลุธรรมนั้นยักษ์หรือเทวดาเหล่านั้นจะต้องมีบาปใหญ่และโดนกดแห่งกรรมลงโทษในฉับพลันอย่างแน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ต่างกับการออกข้อสอบข้อกำหนดเพื่อทดสอบคนจะเป็นด็อกเตอร์เพื่อให้รู้ว่าควรได้รับปริญญาเอกจริงๆในเรื่องของยักษ์นั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อทดสอบเสร็จ ก็เข้ามาก้มกราบขอขมาท่านซึ่งยักษ์ในที่นี้ก็น่าจะเป็นเทพเทวดาที่แปลงร่างมาให้ดูน่ากลัวนะครับเพราะหากเป็นยักษ์หรือผีร้ายจริงๆไม่มีทางจะเข้าใกล้หรือมาทำร้ายท่านได้แน่เพราะบารมีไม่ถึงและเทวดาที่มีฤทธิ์มากมายคงไม่นิ่งเฉยทนดูพระแท้พระดีถูกทำร้ายแน่สาหรับเรื่องหลวงปู่มั่นกับยักษ์นี้อาจเป็นไปได้ในหลายกรณีนะครับ เกินกว่าคนธรรมดาจะคาดเดาแต่ทุกอย่างต้องมีเหตุผลเสมอเพียงแต่เหตุผลในบางเรื่องมันเกินที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้จริงหากยังปฏิบัติไปไม่ถึงจุดที่มากพอดังนั้นจึงควรฟังไว้ประดับความรู้หรืออย่างน้อยก็เลือกเชื่อเฉพาะแก่นทำคำสอนอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่หากยังคิดว่าเชื่อบางเรื่องไม่ลงหรือไม่อยากเชื่อบางเรื่อง คนฉลาดย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งรอบตัวและกลั่นกรองเอาที่เป็นประโยชน์สำหรับตนมาใช้นะครับโดยส่วนตัวผู้อ่านเองเปลี่ยนมานับถือพุทธก็เพราะเจอเรื่องเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้มาเยอะมากนะครับยิ่งมาทำงานด้านนี้เจออุปสรรคเหนือธรรมชาติมาจนชินครั้งหนึ่งก็เคยเจอนะครับเจอสิ่งที่มองไม่เห็นมาเขย่าของหนักๆเสียงดังต่อหน้าทั้งที่ลืมตาไฟสว่างก็เจอมาแล้ว รังฝึกสมาธิแรกๆหลับตาปุ๊บเสียงโครมดังมากลืมตาดูก็เงียบหลับตาก็ดังอีกและที่เจอบ่อยตอนฝึกสมาธิก็เป็นเหมือนเสียงคนมาเคาะกับเสียงลั่นเปรีเรียรอบห้องนะครับเจอบ่อยมากจริงๆเจอมาเยอะมากเจอมาสารพัดนะครับซึ่งยากจะหาคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงยิ่งถ้าลองคุยกับหมอจิตเวชเนี่ยรับรองจับแอดมิดรักษาตัวกันยาวเลยทีนี้ สำหรับเรื่องมารผจญ น, นั้นความเป็นไปได้น่าจะมีสองแบบคร่าวๆนะครับคือหนึ่งเป็นเจ้ากรรมในเวรที่เขาอาฆาตแรงเขาไม่อยากให้เราได้ดีไม่อยากให้เราพ้นทุกข์และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอุปสรรคธรรมดาของการสร้างมหากุสลที่ต้องเจอมารผจญเจออุปสรรคเกินปกติหลายเท่าเป็นธรรมดานะครับถ้าใครไม่เชื่อทดลองได้วันนี้เลย แค่ตั้งใจว่าจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์แค่นั้นแหละจะมีเรื่องมีคนมีอะไรเข้ามายั่วเรามากเป็นพิเศษเพื่อให้ละเมิดศีล อ, อย่างที่ยาตจะข่มใจสู้ได้จริงๆแต่ถ้าผ่านไปได้สิ่งยั่วก็จะเบาลงและพอเรื่องระดับสูงขึ้นไปก็จะมีอุปสรรคพิสดารเกินเข้าใจได้มาทดสอบเป็นขั้นต่อไปเป็นธรรมดาของสังสารวัฏที่ทุกคนต้องเจอไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับใครอยากพ้นทุก ทำใจไว้รอได้เลยว่าปัญหาจะมากกว่าคนปกติหลายเท่าที่ต้องพิสูจน์ใจในการสละรักโลกโกรธหลงได้จริงหรือเปล่าตรงตามหลักที่ว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนั่นเองแต่ก็มีข้อแม้นะครับยกเว้นท่านที่สะสมบารมีชนะปัญหาพวกนี้มาในชาติก่อนๆแล้วท่านเกิดใหม่ก็ทางสะดวกไม่ต้องมาเจอทุกซ้ำซาในโลกอย่างพวกเราด้วยบุญที่ท่านถึงพร้อมแล้วนั่นเอง ต้องกราบขออภัยที่ต้องอธิบายเสริมตรงนี้นะครับเพราะเกรงว่าถ้าปล่อยผ่านไปอาจทำให้คนรุ่นใหม่หรือบางท่านยังติดใจสงสัยในเรื่องที่มีควรสงสัยหากมองว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องหลอกคนทำความดีจะเป็นเหตุให้เสียประโยชน์และผ่านจะไม่เชื่อคำสอนและประวัติส่วนอื่นของครูบาอาจารย์ไปอย่างง่าเสียดานะครับ นี่คือปัญหาใหญ่ของการเผยแร่ศาสนาที่ครูบาอาจารย์บางท่านจึงตัดเรื่องพวกนี้ออกและไม่ค่อยกล่าวถึงเพราะจำเป็นต้องอธิบายเยอะมากถึงจะเข้าใจได้ตรงทางได้จริงและพออธิบายแล้วบางพวกก็ไม่ยอมจบยังสงสัยต่อไม่เลิกท่านเลยตัดปัญหาสอนหลักธรรมล้ว น, นสอนการปฏิบัติทางจิตอย่างเดียวเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็จะตรัดเรื่องพวกนี้กับคนที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับ สำหรับเรื่องพระธุดงผิดศีลแล้วต้องมาโมรณภาพตายจากไปถึงหรูปเชื่อว่าต้องมีคนสงสัยจำนวนมากแน่นอนนะครับเพราะปรากฏให้เห็นตลอดมาว่านักบวชจำนวนมากที่เป็นพระปลอมผิดศีลผิดวินัยเป็นอาจินแต่ก็ยังมีชีวิตปกติไม่ตายไม่เจอหายนะสักทีเรื่องคนทำชั่วและยังอยู่ดีมีสุขเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไม่เข้าใจจะผ่านมองไปว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วมากมายไม่เห็นเป็นอะไรแต่กลับจะดูเหมือนอยู่ดีมีสุขมากกว่าคนทำดีซะอีกถ้าเข้าใจหลักกรรมได้ถูกต้องก็จะเห็นแง่มุมในรายละเอียดต่างกันไปอีกมากซึ่งจะขอยกตัวอย่างบางแง่มุมมาให้ลองพิจารณานะครับอย่างที่รู้กันว่าคนตั้งใจทำความดีจะมีอุปสรรคมาขัดขวางเสมอความดีโดยเฉพาะที่เจตนาเพื่อพ้นทุกข์ พ้นสังสารวัตรเพื่อไม่กลับมาเกิดอีกนั้นมันเป็นธรรมดานะครับที่ต้องห่างจากลาบยศสันเสริญซึ่งเป็นอันตรายเป็นเหมือนยาพิษสำหรับผู้ต้องการกำจัดกิเลสในตัวให้หมดสิน้นการได้ดีมีสุขในทางโลกไม่ใช่สุขแท้จริงซึ่งน้อยคนจะมองเห็นหากยังเต็มไปด้วยกิเลสยางเหนียวเกาะแน่นในจิตก็ยังโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่จบสิน้น แล้ววันหนึ่งก็จะรู้ว่ามันเป็นสุขจอมปลอมเป็นของหลอกให้หลงให้วนอยู่ในทุกยาวนานต่อไปดังนั้นการทำดีที่เป็นบุญใหญ่จริงจะส่งผลดีให้ไม่ต้องลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้สำหรับบางคนนะครับอาจมาในรูปของการขัดขวางคนบางคนไม่ให้รวยไม่ให้ดังไม่ให้มีอํานาจด้วยซ้ำเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าได้ครอบครองแล้วมันเป็นภาระที่ต้องแบกสลัดออกได้ยาก และจะพาเดินสวนทางกับทางพ้นทุกได้ง่ายกว่ามากทั้งนี้แม้บุญจะขัดขวางบางคนไว้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับจะไม่ได้อะไรสมหวังเลยเพียงแต่อยู่ในหลักพอเพียงพอดีกับตนที่จะเอื้อต่อการบรรลุธรรมพ้นทุกันเป็นสุขที่แท้จริงได้เร็วขึ้นเท่านั้นสำหรับในบางคนก็ต้องรวยต้องดังต้องมีอะไรทางโลกมาโชคโจรก่อนจึงเห็นชัดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สุขแท้จริง จึงสละออกได้ง่ายตัดขาดได้ง่ายจึงสิ้นสงสัยตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมได้พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายต่างก็มีก็เป็นมาสารพัดเสพสุขทั้งโลกมาอย่างยิ่งใหญ่เคยรวยเคยมีอํานาจทั้งในปัจจุบันหรือเคยมีเคยเป็นมาแล้วในอดีตชาติยาวนานที่ผ่านมานะครับแต่ในที่สุดก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ก่อนจึงพ้นทุกขบรรลุธรรมได้ในที่สุดการจะเข้าใจกฎแห่งกรรม จึงต้องเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่ามีจริงด้วยไม่อย่างนั้นจะไม่มีทางเข้าใจได้จริงเลยสำหรับคนจำนวนมากการได้ผลบุญตอบสนองเป็นลาบยศสรรเสริญเงินทองจึงอาจไม่ใช่ผลดีจริงยิ่งถ้าหากคนนั้นไม่มีศีลธรรมเพียงพอแล้วก็จะเป็นเสมือนยาพิษที่สุดท้ายทำลายผู้ครอบครองได้ชิบหายหนักกว่าเดิม ด้วยการหลงมัวเมาในสุขจอมปลอมและใช้อำนาจที่มีทำชั่วได้มากกว่าคนธรรมดาหลายเท่าท่านเปรียบผลบุญเหมือนทองที่ลอมเหลวร้อนแรงนะครับผู้จะรับไว้ได้ไม่เกิดโทษก็ต้องมีภาชนะรองรับที่ดีพอไม่โดนความร้อนละลายเผาตัวเองด้วยในเรื่องนี้มีปรากฏข้อความจากพระไตรปิฎกไว้นะครับว่ายศลาบสกการะแสเผ็ดร้อน เป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมและมีกล่าวไว้อีกว่าคนในโลกนี้เรียนวิชาสแสวงหาทรัพย์ราวกับว่าจะไม่แก่และไม่ตายแต่ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่สแสวงหาอริยทรัพย์อยู่ราวกับว่ามัจจุราช จ, จับมวยผมกระชากเข้าไปสู่ชราและมรณะข้อความจากเทวทัต ส, สูตรและเอละกาสูตร การที่คนทำชั่วผิดศีลยังอยู่ดีมีสุขเป็นแค่ฉากหน้านะครับที่มองให้ลึกจะเป็นโชคร้ายของเขาที่ได้สะสมบาปเพิ่มมากขึ้นจนไหนที่สุดก็ยากจะถอนตัวและเมื่อบาปสะสมจนเลยบุญที่มีแล้วเมื่อนั้นแหละจะเริ่มออกผลยังเด่นชัดแต่บางคนจะเห็นชัดจริงก็ในชาติถัดไปแต่ที่ต้องเกิดแต่แรกแน่ก็คือทุกทางใจสารพัด ที่ต่อให้นั่งอยู่บนกองทองมีผู้คนสรรเสริญบูชาก็ไม่อาจหาความสุขทางใจได้จริงไม่เคยเต็มอิ่มได้สักครั้งมีแต่ความโหยหาอยากได้อยากมีให้มากขึ้นโกรธแค้นขัดเคืองเพียงเรื่องเล็กน้อยความคิดเห็นสามัญสำนึกก็จะตกต่ำผิดรูปผิดทางหลงผิดปฏิบัติผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยสุดท้ายจะพาตนไปสู่หายนะอาจเสียสติวิปลาด หรือจบชีวิตลงอย่างน่าสมเพชในที่สุดและไม่แค่นั้นนะครับเพราะว่ายัางต้องไปสเสวยทุกข์หนักในโลกหลังความตายอีกด้วยที่ต้องไปชดใช้เกิดใหม่ในสภาพผีเปรตอดอยากอสูรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานมีชีวิตทุกทรมานนับพบชาติไม่หวาดไม่ไหวกว่าจะได้เกิดเป็นคนที่สมบูรณ์ก็อีกหลายแสนชาติจนลืมไปเลยว่าเคยทาชั่วไว้อย่างไรเกิดใหม่แล้วก็มักจะเป็นมิจฉาทิฏฐิ หลงทาผิดทาชั่วตามเดิมอีกต่อไปกลับไปวนเวียนในกองทุกสาหัตไม่จบไม่สิน้นถ้าลองคิดตามจริงถึงเรื่องนี้จะพบว่าสิ่งที่เราคิดว่าเขาโชคดีมีสุขนั้นแท้จริงแฝงด้วยทุกภัยใหญ่ที่น่ากลัวเพียงไรยิ่งมีชีวิตอยู่นานขึ้นก็เท่ากับสะสมบาปโชคร้ายมากขึ้นไปอีกวันนะครับการทำชั่วและไม่ได้รับบทลงโทษให้เห็นทันใจ อาจไม่ได้หมายถึงเขาไม่ได้รับนะครับเพียงแต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมซึ่งในบางรายบุญเก่าเขามาหาศาลเปรียบเทียบเหมือนปลูกต้นไม้ไว้เป็นล้านไร่วันนี้เราเห็นเขามาตัดต้นไม้นั้นแม้จะวันละหลายต้นแต่ต่อให้เขาตัดทั้งชีวิตก็ยังตัดไม่หมดนะครับมันยังเหลืออีกเยอะที่ยังส่งให้เขาได้กินผลได้รับรมเงานั้นอยู่นี่คือสิ่งที่พอจะเทียบเคียงได้ในแง่ของการทาชั่วให้เห็น แต่ทำไมยังได้ดีมีสุขในปัจจุบันบุญเก่าที่ยังให้ผลในปัจจุบันเปรียบต้นไม้หลายล้านต้นที่ยังตัดไม่หมดนั้นเมื่อตายจากชาตินี้บุญก็ยังอยู่นะครับแต่จิตก่อนตายที่เศร้าหมองจากความชั่วซึ่งเป็นธรรมดาหากทำชั่วประจําไม่เคยฝึกจิตไม่มีศีลไม่ได้สะสมกุศลไม่มากพอจิตย่อมเศร้าหมองก่อนตายได้ง่ายนะครับ ซึ่งมาเกิดนิมิตก่อนตายให้เห็นให้เกิดทุกทางใจสภาพจิตที่ไม่ผ่องใสก่อนตายนั้นย่อมได้กำเนิดใหม่ในอบายภูมิแน่นอนทั้งสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือเดรัจฉานได้รับทุกทรมานแสนสาหัสต่างกันไปตามดีชั่วที่สะสมไว้การที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกรอบจึงเป็นเรื่องที่ยากมากนี่คือสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็น หลายคนจึงเข้าใจผิดไปว่าทำดีได้ดีไม่มีอยู่จริงการมองชีวิตว่าทำดีได้ดีหรือไม่นั้นไม่ควรมองสั้นๆแค่พบชาติที่ตาบปล่ามองเห็นเท่านั้นนะครับหลายคนคานเรื่องพบชาติในขณะที่ฝรั่งต่างชาตินักจิตวิทยานักวิทยาศาสตร์แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทประดับโลกก็ต้องยอมรับด้วยจานวนตลักฐานมาแล้วนะครับว่า ตายแล้วไม่ศูนย์มีโลกต่างมิติอยู่จริงทั้งด้วยการสะกดจิตระลึกชาติการค้นคว้าไปทั่วโลกกับกรณีเด็กระลึกชาติกรณีตายแล้วไม่มีใครรู้และมาเข้าฝันบอกจนไปขุดศพเจอก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งประจำเฉพาะประสบการณ์ตรงที่นักวิทยาศาสตร์ต่างชาติที่หลายคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนสุดท้ายได้เจอกับตัวเองจนต้องยอมรับและเขียนบันทึกเป็นหนังสือให้อ่านอยู่มากมาย โดยที่คนไทยจำนวนมากยังคิดว่าเรื่องพวกนี้งมงายและฝรั่งไม่เชื่อในขณะที่ความจริงเขาเชื่อกันเยอะนะครับเพียงแต่หลายคนไม่เคยคิดขยับตัวและหัวใจไปศึกษาให้จริงจังจึงไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีปรากฏอยู่ทั่วโลกไม่ใช่แค่ในศาสนาพุทธหรือในประเทศไทยเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงนะครับอะไรที่ยังไม่เห็นยังพิสูจน์ด้วยตนเองไม่ได้ยังไม่เคยศึกษา ก็จะบอกแค่ว่ายัางพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็น่าแปลกที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนกลับมีแนวคิดที่ว่าถ้าฉันไม่เห็นสิ่งนั้นต้องไม่มีแล้วก็การันตีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงแต่ทั้งนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าของปลอมหลอนไปเองคิดไปเองหรือเป็นแค่จินตนาการมันก็แทรกซึมมาพร้อมกันจึงทาให้ของจริงดูไร้สาระไม่น่าเชื่อถือไปด้วยเช่นกัน และเป็นการยากพอสมควรที่จะแยกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมยกเว้นผู้ปฏิบัติจนถึงระดับแล้วจริงๆสําสำหรับกรณีคนตายเร็วเพราะทำความดีก็มีอยู่นะครับเช่นไปทัวร์บุญและตายยกคณะหรือที่โบราณท่านห้ามสร้างวัดคนเดียวเพราะว่าจะเป็นเหตุให้ตายไวก็ด้วยเหตุที่ว่าจิตที่ทำบุญนั้นด้วยจิตแรงกล้าปรารถนาบุญ อยากได้ความสุขสวยจากบุญที่ตัวเองทําเมื่อสร้างบุญที่ใหญ่พอและไม่มีบาปเ ก, ก่าที่หนักมากพอมาขวางเมื่อมีแรงอธิษฐานจิตหรือจิตต้องการอย่างแรงกล้าบุญก็จําเป็นต้องออกผลให้ได้รับนะครับละทธนี้บุญบางอย่างร่างกายมนุษย์พบมนุษย์มันรองรับไม่ไหวมันให้ความสุขสมน้ําหนักบุญที่ทําไว้ไม่ได้ก็เลยต้องให้ตายก่อนเพื่อไปเกิดเป็นเทวดาจะได้สวยบุญได้สาใจอย่างที่จิตลึกๆต้องการ นี่คือเหตุที่เราจะได้เจอคนดีบางคนก็รีบตายไวซะเหลืเกินส่วนหนึ่งก็เพราะจิตไม่ห่วงทางโลกไม่ยึดติดทางโลกแล้วรวมกับจิตที่ต้องการสวยผลบุญที่ตนเองได้ทําแต่บางกรณีก็เป็นกรร ม, มตัดรอนชีวิตนะครับอย่างถูกหวยแล้วตายแล้วเกิดวิบัติหนักต่อมาก็เป็นเรื่องของการใช้บุญเก่าจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือเกราะกําบังไว้ทวงบาปเก่าเลยและในบางกรณี ก็เป็นผลจากบาปหนักในอดีตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องให้ผลแน่นอนไม่ว่าจะทำบุญแค่ไหนทำดีแค่ไหนก็ต้องรับผลนั้นเหมือนโดนกำหนดวันตายมาแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ความดีที่ทำก็จะส่งผลดีในอนาคตหรือให้มีสุขในปัจจุบันมากขึ้นจนถึงขั้นบรรลุธรรมเข้าใจธรรมอันจะเป็นผลดีสูงสุดต่อไป กันมาซะยาวเพื่อจะปูความเข้าใจสู่เรื่องทำไมพระทุดงผิดศีลจึงตายแล้วพระผิดศีลอีกมากทำไมยังอยู่ได้ปกติไม่ตายซึ่งขอนำเสนอแนวคิดให้ลองพิจารณาไว้ดังนี้นะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าพระเหล่านั้นท่านอาจหมดอายุไขแล้วจริงๆแต่กฎแห่งกรรมเมื่อเจตนาทำดีจิตตั้งมั่นจริงก็จะได้ให้แตมบุญต่อชีวิต ให้มีโอกาสทำดีอย่างที่ตั้งใจได้ต่อตราบใดจิตยังตั้งมั่นในการทำดีก็จะมีชีวิตต่อได้อีกระยะจนกว่าร่างกายจะไม่ไหวจริงๆแต่พอทำไม่จริงไม่ตั้งมั่นจริงไม่คิดทำดีจริงจึงต้องหมดอายุไขตามเดิมหรือต่ออายุให้อีกไม่ได้มากในที่สุดก็ต้องตายนะครับ หรือบางกรณีการตั้งใจอธิษฐานทำความดีจะเพื่ออุทิศให้บุคคลอื่นหรืออะไรก็ตามเมื่อทำดีก็เหมือนมีเกราะป้องกันตัวจากอันตรายไว้อีกชั้นหนึ่งเจ้ากรรมในเวรหรือบาปเก่าก็เข้าเล่นงานได้ไม่เต็มที่นะครับกำลังจะได้เวลาส่งผลก็ถูกเลื่อนออกไปหรือเบาบางลงจากที่ดวงต้องตายก่อนเวลาอันควรก็อาจแค่ป่วยอะไรประมาณนี้ เรียงเหมือนเจ้านี่จะไปทวงหนี้แต่ไปถึงเห็นเขายังไม่มีให้แต่ก็พยายามทำงานสุดกำลังก็ให้โอกาสรอให้ทำงานหาเงินให้ครบแต่ถ้าไปแล้วเห็นแต่นอนเล่นไม่พยายามหาเงินใช้หนี้แถมยังกินหรูอยู่สบายไม่ประหยัดไม่เก็บไว้ใช้หนี้ทีนี้นก็อาจโมโหลงไปทาร้ายจนตายหรือปางตายได้นี่แค่ตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับ ในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวถึงเรื่องเจ้ากรรมนายเวรติดตามคอยล้างแค้นจากการที่เคยไปฆ่าเขาไว้เมื่อสบโอกาสจึงเข้าสิงแม่โคมาขิดจนตายอย่าคิดว่าเจ้ากรรมนายเวรเป็นสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับมันก็ไม่ต่างกับคนที่เราไปทําร้ายเขาไว้ถ้ามีเงินจ้างคนคุ้มกันได้ตลอดเวลาเขาก็มาทําร้ายคุณกลับไม่ได้หรือทําได้ไม่เต็มที่หรือต่อให้ดวนทําร้ายแล้วก็ไปรักษาตัวได้ทัน รักษาได้ดีกว่าคนไม่มีเงินเพียงแต่เจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งต่างมิติจะทําอะไรเราได้นั้นจะมีเงื่อนไขต่างออกไปคือเกี่ยวกับพลังบุญบาปในตัวโดยตรงบุญที่มากพอจิตที่เปลี่ยนกุศลจะทําให้เกิดแรงเมตตาลดความอาฆาตลงได้และเป็นเสมือนเกราะป้องกันแรงกระทําที่ตาปล่ามองไม่เห็นได้จริงซึ่งเราไม่จําเป็นต้องกลัวพวกเขานะครับ ไม่ต้องกราบไหว้วิงวอนหรือสการะเป็นที่พึ่งก็ได้ถ้าจะไหว้ก็แค่ไหว้ให้เหมือนเด็กเคารพผู้ใหญ่ที่เราเจอผู้ใหญ่เราก็ไหว้ทักทายตามมารยาทแต่ไม่ได้ไหว้แบบเกรงกลัวเขาจะทำร้ายจะมาให้คุณให้โทษเรายกเว้นแต่เจ้ากรรมนายเวร น, นะครับที่หากเท่าเราสานึกได้ระลึกถึงเขาได้ก็ควรจะทำบุญให้เขาแลวก็กราบขอขอมาขอโทษกับเขาโดยตรง ถ้าเข้าใจในหลักกรรมแล้วก็จะรู้ว่าความสุขและทุกสิ่งที่อยากได้ต้องมาจากบุญของเราเท่านั้นเหมือนจะฉลาดได้ต้องศึกษาต้องขยันเรียนไม่ใช่เกิดจากการอ้อนวอนต้องทำเองการยึดบูชาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดน้อมนำคำสอนมาปฏิบัติจนสิ้นสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ได้จริงจะเกิดเป็นบุญมหาศาล ย, ยิ่งใหญ่เกินประมาณ ที่ส่งผลต่อชีวิตได้ในหลายด้านซึ่งครูบาอาจารย์ท่านว่าต่ออายุไขได้ด้วยนะครับบุญที่มากระดับนี้จะเป็นเกราะคุ้มภยัยนำความโชคดีมีสุขมาได้อย่างมั่นคงและเกิดได้จริงกว่าการหมกมุ่นบูชาพูดผีเทวดาตามแบบพราหมณ์ในอดีตที่ไม่ได้เกิดประโยชน์หรือสุขแท้จริงได้เลยอาจช่วยได้ในบางเรื่องแต่ก็ต้องเนื่องมาจากบุญที่เรามีด้วยเป็นสาคัญจึงควรหวังพึ่งบุญที่ตัวเองทา น้อมอธิษฐานจิตจากบุญที่เราทำเพื่อขอผลที่อยากได้ยังมีโอกาสเป็นไปได้และดีกว่าไปหวังอ้อนวอนสิ่งที่มองไม่เห็นอีกนะครับซึ่งความจริงแล้วเราควรทำบุญอุทิศให้พวกเขาให้เขาอนุโมทนาให้ได้บุญกับเรามากกว่าที่จะไปหวังขออะไรจากพวกเขาเพราะมนุษย์เป็นพบเดียวที่ทำบุญได้ง่ายและได้มากที่สุดนะครับ สำหรับพระอีกจํานวนมากที่ทําผิดศีลและไม่ตายเหมือนพระธุดงทั้งหกนั้น <c oughs> ก็อาจเพราะความดีที่เคยสะสมมาหลายชาติยังประคองชีวิตได้อยู่นะครับแต่ถ้ายัางผิดต่อไปเมนานก็จะพบไายนะเองโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้เห็นหรือไม่ได้รู้หรอกว่าเขาทุกข์ใจและต้องสะสมบาปมากขึ้นกิเลสหนาขึ้นอีกมากแค่ไหนถ้าไม่ได้รับไายนะทันในชาตินี้ก็ต้องไปรับทุกข์ต่ออีกหลายภพชาติข้างหน้าอยู่ดี พระที่ตายไปก่อนเนี่ยอาจเพราะบุญของท่านก็ได้นะครับที่ให้แต่ตายไปซะอยู่ก็ไม่ได้สร้างบุญต่อจะสร้างแต่บาปเพิ่มขึ้นความผิดที่ทำไว้ก็ยังไม่มากไปรับโทษไม่นานจะได้เริ่มต้นใหม่ได้โอกาสกลับตัวไวขึ้นถ้ายังไม่ตายก็มีแต่เพิ่มบาปให้ตัวเองซึ่งไม่รู้อีกกี่ชาตินะครับจะพ้นอบอายภูมิได้ ทั้งหมดเป็นแค่ตัวอย่างที่พอจะหาเหตุผลตามหลักกรรมได้เบื้องต้นเท่านั้นนะครับซึ่งกรรมนั้นจะแนกแยกแยะได้พิสดารได้อีกมากพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเป็นเรื่องอจินไตยคือเกินกําลังของคนธรรมดาจะเข้าใจได้ถูกต้องเข้าใจได้ละเอียดจริงนะครับน่าเสียดายเหมือนกันนะครับที่หลวงพ่อวิริยังในหลายเรื่องท่านไม่ได้ถามถึงเหตุผลเชิงลึกแต่ก็ต้องเข้าใจว่าคนในแต่ละยุคนั้นท่านจะถามเท่าที่ท่านสงสัย ยิ่งคนปัญญามากท่านจะไม่ถามเยอะเพราะท่านพอรู้อยู่แล้วเหมือนในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์กันก่อนนะครับที่ศาสนาสมัยนั้นตั้งอยู่ได้ไม่นานก็เพราะสาวกยุคนั้นเข้าใจอะไรง่ายตรัดคำสองคำก็บรรลุท่านจึงไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทหรือแสดงธรรมะไว้โดยละเอียดซึ่งต่อมาคนรุ่นหลังที่ไม่มีปัญญามากเท่าได้ฟังได้ศึกษาตลักสั้น ตีความไปตามความชอบใจของตนเป็นเหตุให้หลงผิดทำผิดปฏิบัติผิดจนที่สุดศา ส, สนาในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆก็เสื่อมสูญสิ้นไปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้นะครับผู้อา่านจึงต้องขอเพิ่มเติมมาหเหตุส่วนนี้ไว้เรารู้ดีว่าคนรุ่นใหม่และคนอีกมากอาจเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจในบางเรื่องจึงต้องขอกราบขอขมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์และทุกท่านไว้ตรงนี้ ด้วยเจตนาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเท่านั้นจริงๆทั้งนี้ความคิดเห็นของผู้อ่านก็ขอให้ฟังไว้เป็นส่วนเสริมเท่านั้นนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่ก็อยากให้ลองเก็บไปพิจารณาก่อนเพราะอาจจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยยิ่งระยะเวลาห่างพุทธกาลมากเท่าไหร่การแสดงธรรมนั้นยิ่งต้องการคาอธิบายที่ละเอียดลึกซึ้งและด้วยภาษาปัจจุบันและเป็นวิทยาศาสตร์ มีเหตุผลรองรับมากขึ้นเท่านั้นจึงจะทำให้คนยุคนั้นเข้าถึงได้จริงหากจะใช้ศรัทธานำเหมือนสมัยโบราณอย่างเดียวว่าเชื่อไว้ก่อนแล้วดีเองก็จะเกิดปรากฏการณ์เหมือนในปัจจุบันนะครับที่คนจำนวนมากเข้าใจศาสนาผิดไปไกลโดยเฉพาะวัยรุ่นจนญาติจะแก้ไขหรือดึงกลับมาให้ถูกทางจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับ